ธรรมคุณประการที่สองสันทิทิโกเห็นได้เฉพาะตนเองในบทก่อนข้าพเจ้าได้พูดถึงธรรมคุณบทแรกคือสวากขาโตและได้ชี้แจงมาให้ทราบแล้วว่าข้อที่ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นหมายความว่าอย่างไรซึ่งเป็นตอนสำคัญที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถีทวนเสียก่อน ถ้าหากเข้าใจบทนี้ดีแล้วบทต่อๆไปก็จะเข้าถึงได้โดยไม่ยากข้าพเจ้าขอทบทวนความจำอีกครั้งหนึ่งพระธรรมที่ได้ชื่อว่าสวากขาโตก็เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นมีความงามทั้งในเบื้องต้นทากลางและที่สุดเป็นธรรมะที่แสดงถึงแนวทางแห่งการครองชีพหรือการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐ ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะเป็นธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงเพราะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบเพื่ออภิญยาเพื่อความตรัสรู้และเพื่ อ, อนิพพานข้อความสั้นๆดังที่กล่าวมานี้ท่านต้องพยายามท่องจำให้ขึ้นใจพร้อมกับต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจความหมายเป็นอย่างดีด้วย เพราะเมื่อท่านจำได้และก็ใจดีท่านก็จะสามารถใช้เป็นบทสวดหรือบทภาวนาในใจได้เสมอซึ่งเมื่อภาวนาเมื่อใดก็จะช่วยทำให้จิตเป็นสมาธิทำให้จิตผ่องใสคลี่คลายอารมณ์เครียดต่างๆได้ทุกครั้งแต่การภาวนาบทนี้ท่านจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับอารมณ์ด้วยจึงจะได้ผลการสวดมนต์หรือการภาวนานั้นไม่จาเป็นจะต้องทาตามเวลาอย่างที่เคยทาเสมอไป ดังเช่นบางคนถือเป็นกิจวัตรเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ก็ต้องสวดอันที่จริงการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าทำได้โดยสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดีแน่แต่คนทั่วไปมักจะถือตามระเบียบจนเกินไปกล่าวคือถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่สวดอันนี้ละ่ะคือความเข้าใจผิดเพราะโดยธรรมดาหลักของการปฏิบัติที่ถูกนั้น การสวดมนต์ภาวนาก็คือการรับประทานยาซึ่งเราจะรับประทานเฉพาะแต่เวลาตามที่กำหนดเอาไว้เสมอไม่ได้ในเมื่อบางครั้งอาจจะมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนการรับประทานยาอย่างที่เคยทำมาไม่ได้ผลและจะรอให้ถึงเวลาอย่างที่เคยปฏิบัติมาก็ไม่ได้การสวดมนต์ภาวนาก็เหมือนกันเราจะทำเฉพาะแต่ในเวลาที่กำหนดไว้เสมอไปไม่ได้ ทางที่ถูกนั้นต้องสุดแล้วแต่อารมณ์คือในขณะใดจิตใจเริ่มคุณมัวหรือมีความเครียดในทางอารมณ์เกิดขึ้นในตอนนี้ละ่ะที่เราจะต้องสวดมนต์ภาวนาและไม่จำเป็นจะต้องนั่งสวดตามระเบียบเราอาจจะอยู่ในท่านอนหรือในท่านั่งพิงเพื่อพักผ่อนหรือว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้อันนี้ไม่สำคัญความสาคัญอยู่ที่เมื่อเราทาอย่างไรจึงจะสามารถทาใจให้สงบได้ จะสามารถคลี่คลายอารมณ์ได้วิธีนี้สำคัญกว่าและด้วยวิธีนี้เท่านั้นการสวดมนต์ภาวนาจึงจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวาขึ้นจะไม่อยู่แต่ในรูปของพระเพณนีข้อความสั้นๆที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่องจำไว้นั้นมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันต้องพยายามจำให้แม่นและมันภาวนาบ่อย ในเวลาที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างทางโลกกับทางธรรมเกิดขึ้นขอให้สังเกตว่าในชีวิตประจาวันถ้าหากเราไม่หมั่นนึกถึงธรรมะบ่อยๆเราก็มักจะตกอยู่แต่ในกระแสของโลกสุดแล้วแต่กระแสของโลกจะพัดพาไปและแล้วความขัดแย้งที่มีต่อพระธรรมก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือแปลว่า ในขณะนั้นเราชักจะไม่ค่อยเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าชักจะดื้อไม่ปฏิบัติตามในจังหวะนี้แหละการนึกถึงข้อความดังที่กล่าวมาจะช่วยขจัดความขัดแย้งได้เป็นอย่างดีถ้าหากเราเคยมีใจสงบเคยได้รับความสบายใจจากการศึกษาและการปฏิบัติในทางธรรมมาบ้างแล้วอันหนึง่งท่านควรจะถามตัวเองอยู่เสมอว่า พระธรรมมีความงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่เราได้เข้าถึงความงามของพระธรรมแล้วหรือยังปัญหาข้อนี้ควรจะถามตัวเองบ่อยๆ อ, อย่าลืมว่าคนที่เข้าถึงความงามของพระธรรมแล้วนั้นไม่ว่าเขาจะได้ยินหรือได้อ่านหรือนึกขึ้นมาในใจซึ่งพระธรรมบทใดเขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งเกิดศรัทธานในพระธรรมบทนั้นๆเสมอนี่คือข้อสังเกตที่ควรจะจาไว้ ถ้าหากเราได้เข้าถึงความงดงามของพระธรรมจริงๆแล้วก็เท่ากับว่าบัดนี้เราได้มีอุทยานที่รื่นร่มอันเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผลนานาชนิดมีทั้งสระน้ําบัวบานและนกนานาพันธุ์ยามใดที่เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเบื่อหน่ายเกิดความไม่สบายใจเมื่อเราได้เข้าไปในสวนแห่งนี้แล้วความไม่สบายใจหรือความเครียดในอารมณ์ต่างๆก็จะหายไปเพราะธรรมชาตินั้นสวยงามท่านลองคิดดูให้ดี ถ้าหากท่านมีอุทยานน่าเรื่นรมเช่นนี้เป็นของท่านท่านจะเป็นคนที่มีโชคดีและมีความสุขสักเพียงไรอันที่จริงพระธรรมมีความงามยิ่งกว่าอุทยานและน่าเรื่นรมดังที่กล่าวมานั้นเสียอีกและเป็นอุทยานที่จะพาติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งทั้งไม่มีความลำบากในการดูแลรักษาอีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงความงามของพระธรรม จึงเท่ากับมีอุทยานแห่งความเรื่นรมอยู่กับตัวเองเราได้เข้าถึงความงามของพระธรรมแล้วหรือยังทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงได้เรื่องนี้ได้อธิบายมาแล้วสำหรับในตอนนี้จะพูดถึงธรรมคุณข้อต่อไปคือสันทิทิโกสันทิทิโกแปลว่าเห็นได้ด้วยตนเองหมายความว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงหรือไม่ข้อนี้จะพึงรู้ได้ด้วยตนเองเพราะพระธรรมเป็นหลักความจริงที่สามารถจะทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยตนเองคนที่เข้าถึงพระธรรมจริงๆแล้วจะมีความเชื่อมันในตนเองไม่เชื่อตามตัวหนังสือหรือตามคนอื่นบอกอันนี้เป็นลักษณะที่พิเศษอย่างหนึ่งของคาสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่อันที่จริง สำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือผู้ที่มีสติปัญญาไม่สูงในชั้นแรกย่อมเป็นการจำเป็นที่จะต้องเชื่อไว้ก่อนถึงแม้จะไม่เข้าใจเหตุผลก็ตามเหมือนเด็กๆในโรงเรียนถ้าไม่เชื่อครูก่อนแล้วการเรียนย่อมไม่ได้ผลเพราะในตอนแรกนี้แม้ครูจะอธิบายเหตุผลอ ย, ย่างไรก็ยากที่เด็กจะเข้าใจได้เนื่องจากสติปัญญาของเด็กยังมีไม่พอที่จะพิจารณาเหตุผลได้ การหาวิธีทำให้เด็กเต็มใจเชื่อและทําตามได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าใจเหตุผลย่อมจะดีกว่าการมูอธิบายในสิ่งที่เด็กไม่อาจจะเข้าใจเหตุผลได้ในทํานองเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาก็มีวิธีการเช่นนี้อยู่มากมายที่จะทำให้คนฟังเกิดศรัทธาและเชื่อทันทีวิธีการเช่นนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือความเป็นอยู่ของพระหรือวินัยของพระ เรื่องแบบของพระตลอดทั้งพิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจูงใจเป็นเรื่องปลูกศรัทธาภาสาธาให้เกิดโดยธรรมดาคนเราไม่ว่าในเรื่องไหนในเมื่อเกิดศรัทธาแล้วจะพูดแนะนำอย่างไรก็ยอมเชื่อและยินดีปฏิบัติตามโดยง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการปลูกศรัทธาให้เกิดซึ่งจะโดยวิธีใดก็ตาม มีความสำคัญยิ่งกว่าการอธิบายเหตุผลมากมายถ้าหากการอธิบายนั้นผู้ฟังยังไม่มีศรัทธาหรือไม่อาจที่จะเข้าใจเหตุผลได้ยิ่งกว่านั้นการปลูกศรัทธาให้เกิดเสียก่อนอย่างเป็นการประหยัดเวลาให้กับผู้ฟังหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาได้อีกมากมายผู้ที่จะสามารถเข้าถึงพระธรรมจนกระทั่งพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนั้นต้องเป็นคนที่เรียนมาม า, มากและต้องมีการปฏิบัติด้วย โดยเฉพาะในทางสมาธิและวิปัสสนาผู้ที่ศึกษาแต่เพียงในด้านปริยัติอย่างเดียวย่อมไม่อาจที่จะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นในคำผีวิสุทธิมักท่านจึงได้อธิบายไว้ว่าธรรมะที่ได้ชื่อว่าเป็นสันธิติโกนี้หมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระธรรมและธรรมะในบทธรรมคุณข้ออื่นๆ ก็หมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตรธรรมทั้งสิน้นคำจำกัดความที่ท่านได้กล่าวไวน้นี้มีความหมายลึกซึ้งมากและเป็นแง่คิดอย่างดีว่าคนที่จะมีศรัทธาในธรรมอย่างมั่นคงนั้นต้องได้บรรลุมากผลนิพพานถ้าหากยังไม่ถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่อาจจะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นความเชื่อในทางศาสนาของปูทุชน แม้จะลึกซึ้งหรือมั่นคงสักเพียงไรก็ยังเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยตันหาอุปาทานหรือเป็นความเชื่อตามความเคยชินที่ได้อบรมมานานซึ่งถึงแม้จะเชื่ อ, อยังลึกซึ้งเพียงไรความมั่นคงก็ยังไม่มีความจริงข้อนี้เราเห็นอยู่ทั่วๆไปในวิสัยของปุถุชนขอให้สังเกตว่าธรรมะในขั้นศีลธรรม อย่างที่คนทั่วไปปฏิบัติกันอยู่นั้นถึงแม้เราอาจจะใช้เหตุผลพิจารณาและยังทราบถึงความจริงได้ก็จริงแต่การที่จะเข้าใจเหตุผลได้อย่างลึกซึง้งจนกระทั่งยอมรับได้จริงๆนั้นโดยธรรมดาแล้วจะต้องได้บรรลุมากผลเพราะธรรมะทุกข้อไม่ว่าจะเป็นธรรมะอยู่ในระดับไหนจะเข้าใจเหตุผลได้อย่างแจ่มแจ้งจริง ๆ, งๆก็ต่อเมื่อใจได้หลุดพ้นไปจากกิเลส ถ้าใจยังไม่หลุดพ้นก็จะเป็นเสมือนหนึ่งกระจกที่มีฝ้าหรือเหมือนน้ำที่ยังขุนแม้ว่าเราจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ในกระจกหรือสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ก็ตามแต่ก็จะเห็นไม่ชัดตัวอย่างเช่นการที่เราจะรู้คุณค่าและเข้าใจความหมายของความเมตตากรุณาความซื่อสัตย์ความกตัญญูความขยันอดทนซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นพื้นและจาเป็นสาหรับคนทั่วไป แม้คุณธรรมในขั้นนี้ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและยอมรับไว้ได้ง่ายว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะต้องมีก็ตามแต่ถึงกระนั้นเราก็จะพบว่าคนที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้อย่างลึกซึ้งและมั่นคงจริงๆเราจะหาไม่ได้ในวิสัยของปุตุชนทั้งนี้ก็เพราะคนที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างจำแจ้งและยินดีปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ แม้จะตายก็ไม่ยอมละเมิดนั้นจะต้องได้บรรลุมากผลนิพพานด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้บอกว่าธรรมะที่กล่าวถึงในบทธรรมคุณ น, นี้หมายถึงธรรมะในขั้นโล ก, กุตระธรรมทั้งสิน้นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อจะเข้าใจเหตุผลได้ดวยกระจ่างและยอมรับว่าเป็นจริง ก็ต่อเมื่อได้บรรลุมากผลหรือพูดอีกในยะหนึ่งคือต้องรู้จักชีวิตภายในซึ่งเป็นที่มาของชีวิตภายนอกและคนที่จะรู้จักชีวิตภายในได้จริงๆก็ต่อเมื่อละสักยะทิฏฐิได้สักยะทิฏฐิก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเช่นเข้าใจว่าเป็นขันหรือขันห้าซึ่งประกอบไปด้วยรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราเป็นของของเราคนที่จะรู้จักชีวิตภายในได้จริงๆก็ต่อเมื่อละสักยะทิฏฐิได้และเข้าใจแจม่มแจ้งในวิสัยของสิ่งที่มีปรากฏการ์คือสิ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดย่อมไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริง การเข้าใจความจริงในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งละความเห็นผิดในเรื่องตัวตนได้โดยเด็ดขาดอันนี้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้อันหนึ่งคนที่จะละสักกายทิฏฐิดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งเข้าใจเรื่องการตายและการเกิดเข้าใจเรื่องวิญญาณสร้างชีวิต ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างลึกซึ้งและพร้อมกันนี้ต้องเข้าใจเรื่องไตรลักษ์เรื่องอริยศาสตร์เป็นอย่างดีด้วยและการเข้าใจเรื่องไตรลักษ์และอริยศาสตร์นี้โดยธรรมดาจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าสมาธิได้สามารถทำนิวรให้สงบได้ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางรู้แจ้งเรื่องไตรลักษ์และเรื่องอริยศสตร์ด้วยตนเองได้เลยเป็นอันขาด จากหลักที่อธิบายมาโดยสังเขปนี้ท่านก็คงจะมองเห็นแล้วว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม้ด้วยความเป็นจริงจะเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตนเองว่าจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ถึงกระนั้นการที่จะรู้แจ้งด้วยตนเองก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ง่ายเพราะการรู้แจ้งด้วยตนเองจะมีได้ก็ต่อเมื่อได้บรรลุมากผลด้วยเหตุนี้การเผยแพร่ศาสนาด้วยวิธีปลูกศรัทธาให้เกิดเสียก่อน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแก่คนทั่วไปเพราะพระธรรมเป็นเรื่องนามนธรรมการอธิบายเหตุผลหรือการพิสูจน์อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับวิทยาศาสต์นั้นไม่อาจจะทำได้แต่สำหรับคนที่ได้ปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนามาแล้วการพิสูจน์ให้คนเหล่านี้เห็นความจรงิงเป็นสิ่งที่ทาได้ไม่ยากการสอนศาสนานในรูปความการเทศ หรือการปฏิกถาแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการปฏิบัติจะได้ผลน้อยมากอย่างดีก็ทำให้คนตื่นขึ้นมาได้พักหนึ่งในเมื่อผู้สอนมีวาทศิลดีพูดจูงใจได้เก่งแต่แล้วคนที่ตื่นขึ้นมานั้นก็มักจะหลับต่อไปอีกการเผยแพร่ศาสนาดังที่เห็นกันอยู่ทั่ ว, วไปนั้นจะได้ผลก็เพียงแค่นี้เท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ การสอนศาสนาที่ดีจะต้องหาทางให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังมีโอกาสได้ฝึกสมาธิ ด, ด้วยด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะทำให้คนทั้งหลายยอมรับว่าพระธรรมเป็นสิ่งพระเสริ์จริง